ب ال ิ سم الل الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا لمن وبه نستعين اللهم صل على محمد أسلم و أ د ك م ورحمة الله ว่าบาคาตุขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ที่มาศึกษาวิชาทัพเซกในวันนี้รวมไปถึงผู้ที่ติดตามรับฟังรับชมทุกท่าน การอธิบายข้ออ่านนะครับก็ครั้งละประมาณสี่อายะสมอายะบ้างแล้วแต่ความยาวของอายะวันนี้นะครับอายะที่29ถึงอายะที่ส3สในเอกสารที่ให้ไปมันถึงแค่32สองแต่ผมจะสอนเกินไป็นสสาเพราะว่าเนื้อหามันเกี่ยวข้องกันไม่ยาวนะครับเนื้อที่เอกสารมันไม่พอนะ วันนี้ก็คือ29สุเกาซร์ฮูดนะครับ30สบสอดสาสองสสวันนี้ห้าอายะแต่ว่าในเอกสา ร, รมีแค่4ี่อายะไม่เป็นไรนะครับสอนได้เพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่เอาหมดเนี่ยสัปดาห์หน้าเนื้อหามันจะไม่ประฏิประต่อกันลักษณะของครอกุรอานนะพี่น้องเนื้อหาเนี่ยจะมีการย้ายไปย้ายมาเช่น พูดถึงประวัตินบีอาดัมสมมตินะครับอา้าวไปสอนเรื่องความศรัทธาอา้าววนมานาบีอาดัมใหม่ยกประวัตินบีมูซาลักษณะนเนื้อหาจะเป็นแบบนี้ไม่เหมือนกับหนังสือในปัจจุบันเช่นเราซื้อหนังสือมาบทที่หนึ่งสมมติอาหารหลัก5หมูบทที่หนึ่ ง, าาททงโปรตีนก็โปรตีนอย่างเดียวเลยบทที่สองคาร์โบไฮเดรตข้าวแป้งน้ําตาลก็พูดแต่บทนั้นอย่างเดียว อันนั้นเป็นการแบ่งแบบปัจจุบันแต่วันนี้กูอ่านม่ได้แบ่งแบบนั้นเช่นในซุระอนนี้ชื่อว่าซุร้ฮูดเนี่ยไม่ได้พูดัแต่ใน บ, บีฮูดเกิดแต่งงานเผยแพร่และกระายอยู่เฉพาะซุร้อนฮูดไม่ใช่ประวัติน บ, บีฮูดกระจายอยู่ในซุระอนต่างๆด้วยในขณะเดียวกันในซุระหนฮูดก็มีเนื้อหาต่างๆเข้ามาด้วยเช่นที่ผมจะสอนในวันนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับน บ, บีนัว อัลลอฮิสลามตั้งชื่อซุรอห์วะซุรอห์ฮูดแต่ม่ได้หมายความว่าพูดเฉพาะนาบีฮูดอย่างเดียวนบีอื่นไม่เกี่ยวไอที่ว่าแบ่งเป็นบทเป็นบาปแบบปัจจุบันเนี่ยเป็นลักษณะางานเขียนแบบปัจจุบันซึ่งกูอ่านไม่ใช่มันก็มีฮิกมากของมันแหละนะครับน้อา้าวเข้าเนื้อหา ก, ก่อนในอายะที่ส9ครับอัลลอฮ์ตรัสไว้ว่าเกี่ยวกับนบีนุฮนะครับอยู่ในซุรอห์ฮูด อวยาเกามีกูอ่านเนีเป็นกาลามุลล์เป็นคำพูดของลอ้อแต่ว่าพูดบนบนคำพูดของนบีนัวคือนบีนัวพูดแบบนี้แล้วล้อกันเล่าให้ฟังอวยาเกามีนบีนัวบอกว่าโอ้กลุ่มชนของฉันเอ้ยนึกภาพออกนะฝั่งตรงข้ามเป็นกลุ่มชนนบีนัว พูดที่ไม่ศรัทธาและนดบีนัวก็กล่าวว่ายาเกามีโตต่อกับเขาลาอัสอัลุก um ุมอะไยฮี่มาลันฉันไม่ได้ร้องขอทรัพย์สินสมบัติใดๆในการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยอะไรฮีหมายถึงการเผยแพร่ศาสนาที่ทำอยู่นี้เนี่ยมีคนตั้งคำถามนบีนัว ทำทำไมทำทำไมในสังคมน บ, บีนัวเราทราบก็อ่านเล่าให้ฟังว่ามีเจวเวิแล้ววัดดันสวัวอันย า, ยานอุตยากรุสวรรณสระมีเจวเวิตหลายรูปแล้วก็มีชื่อไหว้กันอยู่ดีๆแล้วนบีนัวกระโเผอขึ้นมาบอกว่าพระเจ้าที่ไหว้ยอยู่นี้ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้ามีองค์เดียวแล้วก็ ไม่ใช่พระเจ้าเหล่านี้ที่คนในสังคมกำลังกราบไหว้อยู่นึกภาพอาบอกนะพี่น้องพอนบีนวัวทำการเผยแพร่แล้วก็ขัดกับข่านิยมที่อยู่ในสังคมตรงนั้นคำถามก็เลยเกิดขึ้นว่านาบีนวัวทำทำไมทำแบบนี้ทำไมจะสร้างชื่อเสียงจะสร้างกลุ่มก้อนใหม่เพื่อเจรจาหรือว่าต้องการผลประโยชน์ในเนื้อหาในวันนี้นาบีนวัวจะตอบ เ า, าบอกนบีนว่าแบบนี้ครับอวยยาเกาหลีผู้ด้านต่างคำถามกับ น, นบีนัวนบีนัวบอกว่าโอ้กุมชนของฉันเอ๋ยลาอัสอาลูกุมอะไรฮิมาลนที่ทำหน้าที่เผยแร่ในวันนี้เนี่ยไม่ใช่ต้องการทรัพย์สินถ้าคิดว่าฉันเผยแร่เพื่อต้องการทรัพย์สินพวกคุณคิดผิด เพราะว่าทำไมครับอินอะจุริยาอินละอลลอฮเพราะการตอบแทนรางวัลที่ฉันจะได้เนี่ยอินลอัลลอฮอัลล์จะเป็นคนให้กับฉันไม่ใช่ทรัพย์สินที่พวกท่านมีมันจะง่ายขึ้นเยอะถ้านบีนุ่นว่าทำการเผยแพร่เพราะต้องการทรัพย์สิน ง่ายเลยถ้าเผยแพรเพราะต้องการทรัพย์สินอย่างนั้นก็ให้ทรัพย์สินไปแล้วก็หยุดเผยแพร่โอเคไหมละ่ะตอนต้องการเงินให้เงินแล้วก็หยุดเผยแพร่พอเป้าหมายบรรลุแล้วต้องการทรัพย์สินข้อเสนอตรงนี้พี่น้องครับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในระยะเวลาในประวัติ น, นบีนั่นเท่านั้นข้อเสนอนี้เกิดขึ้นกับนบีมูฮัมหมัดเช่นเดียวกันพี่น้องพวกกูรช ก็เคยถามท่านบเบิล ม, มัมาดว่ามัมัด ต, ต้องการอะไรถ้าอยากให้หยุดในการเผยแพร่อิสลามเนี่ยจะเอาอะไรถ้าต้องการทรัพย์สินบอกจะหามาให้ต้องการผู้หญิงวสวยๆบอกหามาให้ได้เหมือนกันต้องการเกียรติยศบอกเราก็จะยกย่องท่านให้เกียรติยศกับท่านต้องการอะไรขออย่างเดียวให้หยุดเผยแพร่อิสลาม ข้อสงสัยนี้บรรดานาบีที่ทำการเผยแพร่ถูกตั้งข้อสงสัยเหมือนกันต้องการทรัพย์สินใช่ไหมนบี น, นัวบอกว่าฉันไม่จะต้องการเงินมาลั่นเป็นทรัพย์สินเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรก็ได้ที่มีค่าเพราะว่ารางวัลที่ฉันจะได้เนี่ยอินอัจริยอิลลอัลลออัลลอ์จะเป็นผู้ที่ให้กับฉันเอง คือในการเจราจากันพี่น้องต้องนึกภาพก่อนคนเหล่านั้นกลุ่มชนนบีนัวต้องการนาบีนัวหยุด ก, การเผยแพร่มีการเจราจากันยิ่งก็เสนอมาสิถ้าให้อันนี้คุณจะหยุดไหมนี่เป็นการเจราจากันอา้าวถ้าต้องการทรัพย์สินงั้นให้ทรัพย์สินกันแล้วกันหยุดไหมนบีนัวบอกไม่ใช่ต้องการทรัพย์สินอา้าวการเจราจาก็เสนอเกี่ยวกับทรัพย์สินถูกตัดทิ้งไปก็เจราจาด้านอื่นต่อ นะครับนอกจากนี้เนี่ยในอายันนี้ยังบอกว่าเรายังทราบว่าข้อเรียกร้องของฝั่งตรงข้ามนาบีนัวต้องการอะไรอลัลลอฮฺตัดต่อไปว่าวุมาอานาบิตอริดินลาดีนาอามานูฉันจะไม่ขับไล่บรรดาผู้ที่ศรัทธานดยมีนัวบอกว่าฉันจะไม่ไล่คนที่ศรัทธาที่ฉันเผยแพร่แล้วเขาก็ศรัทธาในสิ่งที่ฉันเผยแพร่เนี่ย ฉันจะไม่ขับไล่พวกเขาแปลว่าอะไรเอย่ยแปลว่าทางฝั่งตรงข้ามนาบีนัวก็ยื่นกรเสนอมาให้นบีนัวหยุดเผยแพร่ไม่พอแล้วก็ขับไล่คนที่เชื่อนบีนัวไปเห็นภาพไหมพี่น้องตอนนี้ไม่ใช่แค่นบีนัวคนเดียวแล้วแต่ว่ามีผู้ศรัทธาอยู่ด้วยคนที่เชื่อนบีนัวมีไม่เยอะพี่น้องแต่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งฝั่งตรงข้าม ต้องการอะไรต้องการหนึ่งให้นบีนัวเลิกทําการเผยแพร่แล้วก็ขับไล่ไอ้คนที่เคยเชื่อเคยศรัทธาเนี่ยขับไล่ออกไปไม่ต้องมาฟังการเผยแพร่ของนบีนัวต่อนบีนัวบอกว่าฉันจะไม่ไล่คนที่ศรัทธาเป็นนบีไล่แบบนั้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับทําไมล่ะอินน a h o m มูลากูรบบีหิม ฉันไม่สามารถไล่พวกเขาได้เพราะว่าพวกเขานั้นมูลากูฮบีฮิมพวกเขาจะไปพบพระเจ้าของพวกเขาในตัปซีที่ผมใช้เนี่ยให้ความหมายสองอย่างคําว่าพบเนี่ยหนึง่งพบจริงๆก็คือในวันอาคิเราอผู้ศรัทธาจะได้พบกับอัลลอฮ์ในวันอาคิเราอถ้าเขาไปพบกับอัลลอฮ์เขาก็จะไปฟ้องอัลลอฮ์ว่าฉันทําการขับไล่ เขานี่เป็นเหตุผลอบดนลนัให้ว่าทําไมฉันไล่ผู้ศรัทธาไม่ได้พวกคนเหล่านั้นมีพระผู้เป็นเจ้าของเขาแล้วเขาต้องไปพบต่ออลัลลอฮ์พบจริงๆในวันกิยามะถ้าไปพบในวันนั้นแล้วอลัลลอฮ์ก็คิดบัญชีกลับมาสิแตัวทําไมต้องขับไล่ผู้ที่ศรัทธาต่ออลัลลอฮ์นี่คือความหมายพบจริงๆสองพบแบบเปรียบเทียบไม่ได้พบอลัลลอฮ์จริงๆพบ ในช่วงที่ทําการอิบาร์ดะและก็ขอดุอาไม่ได้พบอัลลอฮ์จริงๆแต่ว่าได้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ได้ละหมาดได้ข้าเฝ้าอัลลอฮ์ตอนนี้ผมกับพี่น้องเนี่ยเจออัลลอฮ์จริงๆเจอไม่ได้อยู่ในดุนยาเนี่ยเจอไม่ได้แต่ว่าในทางเปรียบเทียบเนี่ยใ น, ในการละหมาดเหมือนกับได้พบอัลลอฮ์ในตอนสุยูดพี่น้องครับเป็นช่วงระยะเวลาที่ใกล้ชิดกับ อ, อัลลอฮ์มากที่สุดขอดุอาขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ไม่ไกลพี่น้อง ทุกใจถูกรังแกถูกเอาเปรียบถูกซ่อเล่มไม่มีใครเข้าใจเลยตอนกลางคืนตื่นมาร้องไห้คนเดียวแต่อลัลลอเห็นขอต่ออลัลลอ์ได้ในทางเปรียบเทียบถ้าฉันไล่พวกเขานะับิีโน่บอกว่าฉันไล่พวกเขานะพวกเขาเวลาไปพบต่ออัลลอ์ในดุนยานี้เนี่ยมาถึงการขอดุอาการอิบาดด้าดในสมัยก่อนเราก็ไม่ทราบว่าการละหมาดของเขาเป็นแบบไหนการถือศีลดไปแบบแบบแบบไหนเราไม่ทราบแต่ทราบว่ามี ในการอิบาดาของพวกเขาเขาก็จะไปฟ้องต่ออัลลอฮ์ว่าฉันทําการขับไล่พวกเขาในบีนุ้ยให้เหตุผลหนึ่งถ้าจะให้ทรัพย์สินต่อฉันฉันไม่ต้องการทรัพย์สินเพราะว่าย่าอลัลลอฮ์ให้เองวกวนเกียรมาสองจะให้ฉันขับไล่คนที่เชื่อที่ศรัทธาให้ไปพ้นพ้นเนี่ยฉันก็ทําไม่ได้ทําไมทําไม่ได้ละ่ะเพราะคนเหล่านั้นต้องไปเจอพระเจ้าของพวกเขาฉันจะทําอย่างนั้นได้ยังไง ฉันทําไปก็โดนสอบสวนและในทายอายะที่ 19, ี่สบเกอัลลอฮ์บอกว่าวลากินนีแต่ถ้าว่าฉันมาถึงนบีนบีนวนเนี่ยนะอารอกุ้มเห็นพวกท่านว่าเกามันต ah ัจยาฮารูนเป็นกลุ่มชนที่โง่เขาเป็นกลุ่มชนที่งม ง, มงายคําบว่าตัจยาฮารูนนะพี่น้องในอายะนี้อธิบายได้หลายแงยม่มุมหนึ่ง งมงายโง่เขาในฐานะที่ว่าไม่ได้เข้าใจนบีนัวเลยยื่นข้อเสนอที่เป็นไปไม่ได้แปลว่าที่นบีนัวเผยแร่มาเก้า้อยห้าิปีเนี่ยต้องการเงินใช่ไหมยังคิดแบบนั้นอยู่เลยตัดเยฮาลูนโง่ในที่นี้ไม่ใช่โง่าดา้านศรัทธาอย่างเดียวไม่เข้าใจสิ่งที่นบีนัวเผยแร่ถ้าพูดวันสองวันจบ เรายังพอเข้าใจว่าเอ็นบีนัวพูดอะไรพูดไปสองวันจบแล้วไม่พูดต่ออันนี้เผยแผ่มา9 5้าหปียังไม่เข้าใจเลยนบีนัวเผยแร่ทาไมยังมีข้อเสนอมาว่าเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าให้ทรัพย์สินแล้วจะหยุดเผยแผ่ได้ไหมยังไม่เข้าใจเลยประเด็นที่สองยังไม่เข้าใจเลยว่านาบีนัวไม่มีสิทธิ์ที่จะไล่คนทีศรัทธาต่อรอ พวกเขายังเข้าใจว่านาบีนุ่วเป็นเจ้าลัทธิเป็นเจ้าของความเชื่อวันนี้เอาคนมาเชื่อได้แล้วก็จะมีอำนาจบอกว่าวันนี้ปิดลัทธิแล้นะบ้านใครบ้านมาันเลิกเชื่อกันแล้วกันให้นบีนุ่วไปไล่คนที่ศรัทธานี่คือความโมง่เขาของพวกเขายังไม่เข้าใจเลยนบีนุ่วทาหน้าที่เพราะอะไรแล้วที่ศรัทธาเนี่ยเขาศรัทธาต่อพระเจ้าของพวกเขาโน่นเขาต้องไปเจอกับล้อโน้นแล้วฉันจะเอาเิษ ท, ที่ไหนไปไล่ นบินนวเลยบอกว่าวลากินนีอรารอกุมเกาแมนตัชฮาลูนฉันเห็นว่าพวกท่านนั้นเป็นกลุ่มชนซึ่งทำไมเอ่ยโง่เขานี่ในความหมายที่หนึ่งนะไม่ได้เข้าใจอะไรเลยสองตัชฮาลูนในที่นี้จะแปลว่า ง, งมงายก็ได้ในขณะที่คนเหล่านั้นที่นบินนวเผยแพผ่แล้วเขาศรัทธานเนี่ยเขาศรัทธานในพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา ศรัทธาต่อนบีที่อลัลลอฮ์ส่งมาแต่ว่าคนฝ่ายตรงข้ามก็ยังงงงายในเจวิตที่ตัวเองกราบไหว้ยอยู่อ่าอันนี้ก็มองได้อีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะครับตอนนี้จะเห็นภาพนะในบีนัวมีผู้ศรัทธาอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วก็มีฝ่ายตรงข้ามแล้วก็มีเขาเหลือความเห็นขัดแย้งกันมีการยื่นข้อเสนอแบบนี้ได้ไหมแบบนู้นได้ไหมนบีนัวบอกว่าที่ยื่นมาเนี่ยทำให้ไม่ได้เลยให้เงินแล้วหยุดเนี่ยทำให้ไม่ได้ หรือว่าวไล่คนที่ศรัทธาอยู่แล้วทำแบบนั้นไม่ได้ในอายะที่30บครับนบีนัวกล่าวต่อไปว่าบะยาเกามีโอ้กลุ่มชนของฉันพี่น้องเขีนได้ว่าบรรดา น, นาบีต่างๆเนี่ยเวลาเผยแพร่ถ้าเป็นคนในกลุ่มชนนบีน้องใช้คำวาบะยาเกามีโอ้กลุ่มชนของฉันในทางภาษาถือว่าเป็นสำนวนที่สุภาพนาบนีไม่ได้ลงไปดานะ งโง่โง่โงงไหวก็ไหวไหวไหวหินไหวดินโง่โง่โง่งมาไหวอัลลอฮ์น okay. <uliflower, S 2> ี่ไม่ได้ลงไปแบบนั้นนะยาเกามลีโอ้กลุ่มชนของฉันฉันเป็นส่วนหนึ่งของพวกท่านด้วยตัวท่านควายฉันก็ควายตัวท่านโง่ฉันก็โง่เราเป็นกลุ่มชนเดียวกันนี่คือภาษาที่ภาษาที่สุภาพอี่น้อไม่จช่เป็นคนที่อื่นนะมาได้เห็นคนเป็นคนอื่นฉันเป็นอีแบบหนึ่งไม่ใช่เราเป็นกลุ่มชนเดียวกัน โอ้ชาวบางกะปิผมก็คนบังกะปินี่คนบังกะปิส ม, มุตินะครับนาพี่น้องสันติชนอ่ะผมก็สันติชนนี่กัสันติชนยาเกาหลีโอ้กลุ่มชนของฉันสุภาพมากพี่น้องนี่คืออัคราชมาลายาหนึ่งของผู้เผยแผ่สุภาพแต่ปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราเผยแผ่เนี่ยฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่พวกเดียวกับเราพี่น้องเข้าใจไหมไอแนวความคิดในหัวมันเปลี่ยนไปหมดแล้วฉันเป็นขาวแกเป็นดํามันอยู่คนละฝั่งกัน เผยแพร่ไม่ได้ถ้าดูมารยาทของนบีนะยาเกามีคุณกับเป็นคนฉันกับเป็นคนเป็นกลุ่มชนเดียวกันมันถึงจะคุยกันได้สอนในฐานะที่คุณกับผมเนี่ยเป็นคนประเภทเดียวกันสอนกันได้แนะนํากันได้แต่ถวักขีดเส้นไว้แล้วแกกับฉันอยู่ฝ่ายตรงข้าม mm hmm. เผยแพร่ไม่ได้พี่น้องเหมือนกับที่เป็นในปัจจุบันคําว่ายาเกามีสั้นๆแต่ว่าให้แง่คิดหลายประการมาดนานบีทําแบบนี้ ไม่ใช่น บ, บีนุ่ยอย่างเดียวนา บ, บีน้องไปดูน บ, บีฮุดนุ่นเวลาพูดกับกลุ่มชนอาร์ตเนี่ยยาเกามีเหมัอนฉันโอ้กลุ่มชนของฉันพูดเพราะผู้สุภาพน บ, บีซอแล้วเวลาพูดกับพู้สมุทรคนที่ไม่มีเตาฮิตกราบเจวิตตกนรกไม่เชื่อฟังต่างๆคนที่ฆ่าอูน บ, บีซอแล้วเนี่ยยาเกามีโอ้กลุ่มชนของฉันนี่คือความอ่อนน้อมของผู้ที่เผยแผ่ศาสนาทราบจาก สิ่งที่ก็อ่านเล่าให้ฟังอ่านี่เป็นแง่ที่สั้นๆนะครับจริงๆคือยาเกามีโอ้กลุ่มชนของฉันแต่ก็ตัดเสียงให้มันสั้นยาเกามีเป็นด้านการออกเสียงในอายาที่30บครับนบีนุ่งเรียกกลุ่มชนตัวเองว่ายาวยยาเกามีไม่ใช่ทีเดียวนะทุกครั้งที่ทำการโต้ตอบเนี่ยยาเกามียาเกามีเพาะมากพี่น้องครับผมจะบอกครับพี่น้องครับผมจะบอก นี่พูดเพราะหมากนะบินนัววายาเกาหมีครั้งที่สองจริงไม่ได้คั้งที่สองถ้าบีนน้องอ่านายาก่อนหน้า น, นี้หลายคั้งแล้วทุกคั้งเลยยาเกามี่โอ้กลุ่มชนของฉันไมย่ยามสูรุนีมินอัลละใครจะช่วยฉันจากอัลละอินตารัตตูหุ่มถ้าฉันขับไล่พวกเขาไอคนที่ศรัทธาต่อรอดเนี่ยถ้าขัถ้าฉันไล่พวกเขาไปให้หมดเนี่ยกลับไปกลับไปเนี่ยแล้วใครจะช่วยฉัน อาฟลาตดากาโรนพวกท่านไม่คิดบ้างหรอือให้เหตุผลนะตางทั้งที่คำเรียกร้องเนี่ยคำร้องขอเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยพี่น้องคนก็ศรัทธาก็ไปเรื่องของเขาล้ามารับบีนนะบีนัวบอกให้ไล่คนศรัทธาไปจริงๆนะเป็นผมผมไม่คุยแล้วเพราถือว่าไล่เหตุผลไล่สาระแต่นบีนัวอดทนมากพี่น้องให้เหตุผลถ้าฉันไล่พวกเขา แล้วใครจะช่วยเหลือฉันจากอัลลอ์ล่ะเขาต่อมูลากุรบบีหิมไปเจอเอลัลลอ์เขาศรัทธาต่ออลัลลอ์ไม่ได้เกี่ยวกับฉันเลยนะถ้าฉันไล่พวกเขาไมยังซุรุนีมินอัลลอฮ์อินตรฮัดตูฮุมแล้วใครจะช่วยฉันถ้าฉันไล่พวกเขาในบีนวัวให้เหตุผลแล้วก็มีความอ่อนน้อมอาฟาดาตัดาการูนพวกท่านคิดหน่อยได้ไหมพิจารณาหน่อยได้ไหมฉันทาแบบนั้นไม่ได้ นีในบีนัวสุภาพด้วยและก็อดทนในการอธิบายอายายี่ส้วก็อายาที่สาที่ผมพูดในบีน้องผมพูดมา20นาทีเนี่ยที่พูดคําพูดเมื่อกี้เนี่ยแต่นบีนัวพูดมา950ปีพี่นอ้องคิดว่านบีนัวเป็นคนแบบไหนเนี่ยพูดนิ่งๆแบบเนี้ยโอ้กลุ่มชนของฉันไอแบบนั้นฉันก็ทาไม่ได้แล้วก็เหตุผลนบีนัวพูดแบบนี้950ปี ผมได้พูดสันติชนเฉพาะวันอาทิตย์นะชั่วโมงเดียว10บโมงถึงสิบเอโมงเฉพาะวันอาทิตย์บางอาทิตย์ก็ไม่ได้พูดแต่นบีนัวพูดแบบนี้ทุกวันเลยพี่น้อง950ปีนี่คือทําไมนบีนัวเขาถึงยกย่องวันเป็นหนึ่งในอุลินอัสมีนบีที่เราทราบเนี่ยจริงมีเยอะแต่ในกัรอ่านว่ายีท่านแล้วก็มีนบีท็อปไฟมาถึงนบีที่ระดับ ระดับท็อปห้าคนเนี่ยที่ได้รับการยกย่องในมีห้าคนนบีโนตีดหนึ่งในห้านบีมูฮัมหมัดติดอยู่แล้วนบีบรอฮีมนบีมูซานบีอีซาแล้วกับ น, นบีโนอลัยอิสาลามที่เรากลังศึกษาอยู่ตรงนี้อ่อนน้อมอดทนแล้วก็เขาเรียกว่าเข้าใจนะนะครับอ้าวมาดูต่อในอายะที่สาสิบเอ็ดครับน บ, บีโนพูดว่ายัางไงต่อ เวลาอากูลูล่กุมฉันไม่ได้บอกพวกท่านว่าไม่เคยพูดเลยว่าอินด oh ีคอจาอินุลล้อฉันมีคลังคอจาอินแปลว่าขุมทรัพย์ขุมสมบัติก็ได้คอจาอิน oh ุลล้อฉันไม่มีคุณสมบัติแบบนี้นะหมายความว่าบางทีเนี่ยคนที่เผยแพร่ความเชื่อร้วัตรที่ใหม่ๆเนี่ยมักจะอวดอ้างว่าตัวเองมีความสามารถ จะพาไปบรรลุตรงนั้นพาไปบรรลุตรงนี้ในสังคมไทยเราก็มีเห็นมีอะไรที่เอื้อประโยชน์ได้ทางจิตวิญญาณถ้าเชื่อแนวความคิดแบบแบบผมแบบฉันแล้วก็จะนําไปสู่นู่นไปสู่นี้นะครับเห็นได้ในข่าวทั่วไปนบีนุ่นไม่เคยพูดเลยว่านาบีนุ่นเป็นนบีขอล้อแล้วก็จะมีอํานาจคุมครังขอล้อหมายความว่าอํานาจที่อัลลอฮ์มีเนี่ยนบีนุ่นจะมาแจก ให้คุณเป็นผู้วิเศษให้คุณบรรลุให้คุณได้นู่นได้นี่นบีโนบอกว่าฉันไม่เคยพูดเลยนะว่าฉันทําแบบนั้นได้ฉันนี่เป็นนบีของลออัลลอฮ์แต่งตั้งมาแล้วก็เผยแพระไม่ได้แปลว่าฉันมีสิทธิต่อลอัลลอฮ์ว่าจะใครเชื่อแล้วฉันจะเอายุหายให้สิบปีอ้าวแต่เชื่อฉันฉันให้อายุสิบปีเชื่อฉันใช่ไหมฉันจะให้ปัจจัยยังชีพเอามาจากอัลลอฮ์นบีโนบอกว่าลาอากูลุลละกุมไม่เคยพูดเป็นนบีไม่มีสิทธิแบบนี้ สิ่พิเศษจาอัลลอฮ์ข้าวสอินุลลอฮ์นยนบีนุ่มไม่มีนาะประการที่2องลาระอะละมุนร้อยบ้างและฉันก็ไม่เคยพูดเหมือนกันเพราฉันทราบในสิ่งที่เล่นลับนบีนุวมไม่ทราบเลยอัลลอฮ์ส่งมาให้เผยแผ่นบีนุวมก็เผยแผ่นบีน บ, านา บ, นบางองค์อัลลอฮ์เปิดเผยให้ความสามารถในมอจิศาส์ก็เป็นเฉพาะการณีแต่ไม่ได้แปลว่านาบีนุ่มเนี่ยจะทราบสิ่งที่เล่นลับหมดเลยเรื่องวิญ ญ, ญาณเรื่องโลกหน้าใครจะเป็นใครจะตายใครจะเกิด นา บ, บีโนอบอกว่าฉันก็ไม่ทราบอำนาจวิเศษแบบนี้นาพี่น้องเวลามีลทัทธิแม่ๆเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะโอดอ้างกันจะเป็นที่ไทยเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ยิงไกลๆเกีกรยรมัดเนี่ยลทัทธิมันเกิดขึ้นเยอะพี่น้องตอนปี2012นะจำได้ไมมัน ม, มีหนังน้ำจะท่วมโลกจะตายกันเนี่ยตอนนี้2017แล้วในช่วงนั้นลทัทธิใหม่เกิดเยอะเต็ไมไปหมดเชื่อว่าจะสิ้นโลกจริงๆเอามีวิธีช่วยหลอดพ้น เจ้าละทิมีความสามารถรู้ในสิ่งที่เล่นลับรู้ทางออกเต็มไปหมดเลยเวลาที่จะอวดอ้างสรรพคุณอิทธิฤทธิ์กันเน่ยพี่น้องหนึ่งในนั้นคือมีอำนาจพิเศษแล้วก็ทราบในสิ่งที่คนอื่นคนอื่นไม่ทราบอินมุลร้อยเมียเขาจะอ้างกันว่าทราบแต่น บ, บีนุ่นบอกฉันไม่เคยพูดเลยนะไม่เคยบอกว่าฉันจะทราบในสิ่งที่เล่นลับความรู้ในะอยู่ที่อัลลอฮ์อัอลลอฮ์จะให้กับใครก็ให้แต่ว่าฉันเนี่ยไม่ได้ทราบทั้งหมดนะ นอกจากนี้เวลาอากูลูอินนีมะระกุลฉันก็ไม่เคยพูดเหมือนกันอ้วตัวฉันเป็นมาลักษมารักษคือมาลายกามาถึงเป็นเทวดาเป็นผู้วิเศษเป็นอะไรที่ว่าพิเศษเออกมาเนี่ยลงมาจากฟากฟ้าอะไรแบบนี้นบีนัวบอกฉันก็ไม่เคยพูดว่าฉันเป็นสามประการนี้พี่น้องคิดดีเนี่ย อวดอ้างว่ามีอํานาจพิเศษกวายนุลล่นล้อให้นุ่นให้นีได้เนี่ยทราบมีความรู้ในสิ่งที่เล่นลับคนอื่นก็ไม่ทราบหรอกโลกจะสลายวันไหนแต่ทราบว่า2012โลกจะสลายแล้วก็ไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ยเป็นมาลักษเป็นมารายการจะเป็นเทวดาเป็นลูกเทพจะเป็นอะไรกัแล้วแต่ที่มาอยู่บนโลกเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา3มอย่างนี้เนีพี่น้องการอวดอ้างแบบนี้พบเห็นได้เยอะมากเจ้าลทัทธิเจ้าศา ส, สดาใหม่ใที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะอ้าง อะไรแบบนี้ก็คือวิเศษกว่าคนอื่นแต่นบีโนะเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยเป็นนบีแท้ๆเลยนะอัลลอฮ์ให้วะฮีให้เป็นนบีเนี่ยแต่ไม่เคยอ้างสรรพคุณเหล่านี้เลยทราบในสินทธิได้รับนบีนะ บ, บอกฉันไม่เคยพูดหรือว่าจะเป็นมนุษย์วิเศษครึ่งคนครึ่งเทพอะไรกันแล้วแต่นบีโนะบอกฉันก็ไม่เคยพูดหรือว่ามีอํานาจเอาพลังจากอัลลอฮ์มาให้กับผู้คนได้เนี่ยฉันก็ไม่เคยพูดนบีโนะบอกฉันไม่เคยพูดเลยนิรสนะของนบี น, นอกจากนี้นาบีนุยังกล่าวต่อไปว่าววลาอากูรุลิลลาดีนัสดาริอายุนุุมลันลันยุติยยหุมุลลอหุคอยรอนาบีนุ่บอกว่าเมื่อกี้อำนาจวิเศษสามอย่างเนี่ยที่คนชอบอ้างกัน น, ะนาบีนุ่บอกฉันไม่มีไม่เคยพูดแล้วก็ฉันจะไม่พูดด้วยว่า แก่คนซึ่งลินลาีนตัสดารีอายูนุกุมคนที่พวกท่านมองด้วยสายตาที่ดูถูกฉันจะไม่พูดว่าลันยุตียาฮุมูนลอหุคอยรอที่จะอหห่านไลยนะแต่ผมพูดเป็นธรรมดานะครับมาดอิตาลอมฉันจะไม่พูดว่าอลัลลอจะมาให้ความดีกับพวกเขาฉันก็พูดแบบนั้นไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของฉันเลยอลัลลอฮฺจะให้ความดีใครไม่ให้ความดีใครฉันก็พูดแบบนั้นไม่ได้ พี่น้องจะเห็นได้ว่าสิ่งที่นบีนุ่นพยายามชี้แจงในพี่น้องครับไม่ใช่แค่เนื้อหาศาสนาอย่างเดียวไม่ได้มาบอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอย่างเดียวแต่ต้องสื่อสารให้คนที่เป็นมวลนช น, นเข้าใจด้วยว่านาบีนุ่นเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเป็นยังไงไม่ได้อวดอ้างอะไรเลยมีอำนาจขนาดไหนทำให้ขนาดไหนอันไหนที่ทำไม่ได้ก็พู้ดทำไม่ได้ เช่นจะไปไล่คนศรัทธาเนี่ยพูดได้ไหมพูดไม่ได้หรือบอกว่าเวลาเผยแผ่แล้วมีคนศรัทธาอยู่กลุ่มหนึ่งคนส่วนมากดูถูกคนเหลา่านี้ให้น บ, บีโนพูดว่าลันย ah um ุติยาฮุมุลรอคอยรอไอคนเล็กๆกลุ่มนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ความดีกับพวกท่านหรอกน บ, บีโนบอกฉันก็พูดแบบนั้นไม่ได้ไอที่คนส่วนมากบางการได้พูดเนี่ยอารมณ์มันมาเนี่ยน บ, บีโนว่าฉันก็พูดไม่ได้ทําไมล่ะเพราะว่าอัลลอฮ์ฮุอะลามูบิมาฟีอันฟุสีหิม พออัลลอฮฺทราบในสิ่งที่อยู่ในหัวอกของพวกเขาเป็นการงานของอัลลอฮฺหมดเลยนบีนุ่พูดได้ไหมคนศรัท ธ, ธาไปไกลๆไล่พูดไม่ได้หรือว่าที่ศรัท ธ, ธาอยู่จะบอกได้ไหมว่าที่แกทําอยู่เนี่ยอัลลอฮฺไม่ให้ความดีนะนบีนุ่วก็พูดไม่ได้เพรออัลลอฮฺทราบดีที่สุดในสิ่งที่อยู่ในหัวอกของพวกเขาอินนีอีดัลละมินัซซาริมีนฉันเนี่ยนะ ถ้าทำแบบนั้นแล้วยังไงละ่ะและมีนะัสอลิมีนก็จะเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่อารรมทั้งหลายการตัดสินคนนะพี่น้องโดยไม่ทราบสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกเขาเป็นการซอนเลมถ่านาบีนวัวทำนาะบีนวัวจอนเลมตัดสินบอกว่าคนที่ทำแบบนี้เนี่ยความดีไม่ได้ไม่ทราบในสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกเขาถ้านาบีนวัวทำนะนะบีนอนม ในปีนไม่ทำไงพราะทําไมล่ะเพราะคนที่ทราบที่สุดในสิ่งที่อยู่ในหัวใจบุ้คลก็คืออัลลอฮ์ฉะนั้นการตัดสินในพี่น้องเป็นการงานของอัลลอฮ์หมดเลยผมตัดสินพี่น้องเป็นแบบนู้นแบบนี้ทําได้ไหมผมสอนเลมนะพ่อไม่มีใครทราบสิ่งที่อยู่ในใจผู้คนเป็นไงไม่ทราบการตัดสินเนี่ยยากไม่ยา ก, ยากพี่น้องที่ผ่านมามันมีกรณีโรคซึมเศร้าผมพูดนิดนึงไม่ได้พาพินใครพูดให้ฟังเขาก็เถียงการซึมเศร้าเรื่องศาสนาเรื่องแพทย์เรื่องอะไร แค่นี้ในบางกรณีเนี่ยไอ้โรคซึมเศร้าในฮอร์โมนมาตกจริงเช่นผู้หญิงเนี่ยเวลาคลอดลูกใหม่ๆก็เรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหลังจากการคลอดคลอดแล้วท้องลายด้วยสามีจะรักไหมนอนไม่พอเครียดไปหมดนะแล้วช่วงนั้นเนี่ยพออารมณ์เปลี่ยนเนี่ยสามีพายาเคยเป็นคนตออัดดีๆพี่น้องเชื่อฟังสามีดีๆพอถึงช่วงนั้นอารมณ์เปลี่ยนเถียงสามีขึ้นมาสมมุตินะพี่น้องถามว่าบาปไหม ถามผมผมตอบไม่ได้คือถ้าบอกว่าการไม่ต่ออัดเป็นบาปเอ้าจริงแต่ว่าในสภาพนั้นบาปไหมตอบยากพี่น้องเขามีสติปัญญาจริงสติสัมปชัญญะจริงพยารู่ตัวจริงแต่สภาพร่างกายมันไม่ปกติฮอร์โมนมาตกจิตใจมันเปลี่ยนแล้วก็อารมณ์มันขึ้นไวมีการโต้เถียงถามว่าบาปไหมผมก็ไม่กล้าตอบอ้าวบางคนกล้าตอบแต่ผมไม่กล้าตอบฉะนั้นไอการตัดสินคนนพี่น้องมันยาก มันมีความมันมีรายละเอียดเยอะหนึ่งสิ่งที่อยู่ในใจเราไม่ทราบสองก็ทําแบบนั้นกับจริงแต่สภาพร่างกายเขาจิตใจเขามันไม่ปกติเราจะบอกว่าอันนี้บาปไม่บาปบุญขนาดไหนตกนรกขึ้นสวรรค์พี่น้องงานแบบนี้นะมีคนตัดสินอยู่แล้วต้องปอล่อยฮาร์ตัดสินในวันกิยามั้งเตือนได้แน่ได้แต่ว่าตัดสินตัดสินไม่ได้มันมีหลายการณีพี่น้องเพราะไอฮอร์โมนตกในหลายการณีผมไม่ได้ว่าใครนะครับ ถูกผิดแต่ว่าบางอย่างในโลกนี้เนี่ยพี่น้องตอบยากผมเวลาปกติเนี่ยพี่น้องผมก็พูดสุภาพแต่เวาลาโกรธด่าคําหยาบเออถามว่าบาปไหมตอบยากบาปพ่อทําแต่ว่าในวันกียร์มาในกฎหมายเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าบรรดาลโทสะโทษจะลดมากึ่งหนึ่งสมมติว่าแทงคนตายเนี่ยปกติกบมันก็ผิดเต็ ม, ตมแต่ว่าถ้าบรรดาโทสะอา้าวโทษมันจะลดมาเขาวิจารณาตรงนั้นในวันกียร์มา ด้วยกับบรรดานโทษะผมด่าวไปคำหนึง่งจะบาปเต็มร0อร์เหรือว่าจะเต็มห0สิเรจิอร์เซไม่ทราบเลยคนตัดสินอยู่ที่อลัลลอฮ์หมดเลยแล้วก็อลัลลอฮ์ให้ความเป็นธรรมอันนี้พูดได้ฟังนะครับไม่ได้ว่าใครตัวอย่างจากประวันนบีนุ่นเนี่ยนบีนุ่ ว, วให้แง่คิดดีมากคือถ้าฉันตัดสินผู้คนนะว่า้าทำแบบนี้แบบนี้แล้วอลัลลอฮ์มาให้ความดีเนี่ยฉันจะเป็นคนที่อารรม พ่อทำไมล่ะพ่ออัลลอฮ์ทราบในสิ่งที่อยู่ในหัวอกของพวกเขาอัลลอฮ์ตัดสินได้ไม่อาธรรมแต่ตาฉันทําฉันอาธรรมเลยพราะทําไมล่ะพราะไม่ทราบสิ่งที่อยู่ในหัวใจฉะนั้นการตัดสินการก่อต้อตัดสินผู้คนเนี่ยพี่น้องโดยไม่ทราบในสิ่งที่อยู่ในหัวใจแล้วเราก็ไม่มีวันทราบด้วยว่าสิ่งที่อยู่ในใจเขาเป็นแบบไหนเนี่ยเป็นการอาธรรมแบบหนึ่งนะครับเตือนตัวเองตัวโตวผมแล้วก็เตือนตัวพี่น้องนะ สุดท้ายหน่ววักิยามาัตหมดแล้วพี่น้องผมกับพี่น้องเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปก็นะเอาลอตตัดสินเองอ้าวอันนี้เป็นแง่คิดของน บ, บีนุ่นนะพี่น้องเห็นข้าวข้าไม่วันน บ, บีนุ่นเป็นคนยังไงเรามาวาดภาพกันน บ, บีนุ่นหน้าตายวาดไม่ออกเหละแต่ว่าโดยนิสัยเนี่ยพอจะเห็นภาพน บ, บีนุ่นไม่เคยถือตัวเองเลยเป็นน บ, บีมาจากอโลมมาเผยแผ่กับจริง แต่ไม่เคยถือตัวเองเลยว่าฉันจะมีอํานาจพิเศษรู้ในความลึกลับเป็นลูกขึ้นเทวดาหรือว่าจะมีอํานาจขอาอจนุ่นร้อเนี่ยให้ดุให้นี่กับใครได้ฉันฉันไม่มีแบบนั้นนะฉันไม่เคยพูดนะแล้วคนที่ศรัทธาเนี่ยฉันก็ไม่มีสิทธิ์ไปไล่เขาไปตัดสินเขาไปบอกว่าเขาจะไม่ได้ความดีฉันก็ทําไม่ได้อ่อนน้อมมาพี่น้องแล้วฉันไม่เคยขอตังค์เลยลาอัสรุกุมอะลาฮิอัจรอนมาลอนเนี่ย ไม่เคยขอเงินไม่ต้องการผลประโยชน์ทางด้านทรัพย์สินที่มาทำหน้าที่ตรงนี้นี่คือนบีนัวอ ล, ลัยฮิสซาลามคนนิสัยแบบเนี้ยพี่น้องทําแบบเนี้ยมา9ก้หิปีพี่น้องคิดดูละกันผมเนี่ยเจิบอยู่ไม่ถึง9ก้หปีนีต่ตายแล้วตายแล้วตายอีกเด็หลานผมของหลานผมนยังไม่ถึง9ก้หปีเลยแต่นบีนัวยืนหยัดแบบนี้9ก้ยหปีถือว่าเป็นอุลินอัสมีเป็นบรรดา น, นับีซึ่งมีความอดทนแล้วก็ได้รับการยกย่อง หนในห้าน บ, บีนัวติดนะครับอ้าวต่อมาในอายาทีสามบสองกอลูเมื่อกี้น บ, บีนัวพูดหมดเลยว่ายาเก้ามีใน บ, บีนัวพูดมีสองฝ่ายน บ, บีนัวกับฝ่ายตรงข้ามพูดที่ไม่ศรัทธาน บ, บีนัวบอกว่าฉันเป็นแบบนี้ฉันเป็นแบบนี้ฉันเป็นแบบนี้กอลูยานูหูดตอนนี้เนี่ยฝ่ายตรงข้ามพูดบ้างพวกเขากล่าวว่านัวเ อ, อ๋ย ก็ยาดันตนาท่านเนี่ยนะได้ถกเถียงกับพวกเรายาดั่นตนาได้ถกเถียงได้เนี่ยนะครับฝักสัตรจีดาเละนาะแล้วก็ทำให้การตกเถียงมันมากขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าข้อเสนอที่ให้ไปเนี่ยไม่เอาสักอย่างเลยจะให้ทรัพย์สินอ้าวบอลไม่เอาทรัพย์สินรางวัลเอาที่อัลลอฮฺ บอกให้ไล่คนที่ศรัท ธ, ธากับท่านเนี่ยออกไปเพราะมีปัญหาในสังคมแล้วตอนนี้มันเกิดขึ้นไล่พวกนี้ออกไปได้ไหมอ้าวไล่ไม่ได้อีกอยวาพวกนี้ไปเจอกันเหรออย่าไปฟอ้อลเหรเอาไงอีกอ้าวเอางี้ละกันบอกพวกเขาได้ไหมว่าที่ทําอยู่เนี่ยจะไม่ได้ผลละบุญก็ไม่ได้อีกเพราะทาไมเพราะล้อทราบในสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกเขาถ้าฉันไปตัดสินแบบนั้นฉันก็อาจทำเราจะเอาอยัางไงอีกเนี่ยข้อตกเียงที่มีน่าเต็มไปหมดเลย นบีนุ่ก็บอกว่าที่พวกท่านพูดมาเนี่ยฉันไม่เคยอ้างนะเป็นมารักษเป็นมาลายกาเนี่ยทราบในสิ่งที่เล่นลับหรือว่ามีอำนาจพิเศษจะอวยให้ใครแบบนั้นแบบนี้ฉันก็ไม่เคยพูดพวกนี้จะบอกว่าฟาอักซัตาจีดาลานาและก็ขคอถกเถียงที่คุยกันมาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยคุยกันนานแล้วถกเถียงกันนานหาข้อยุติไม่ได้แล้วจะเอายังไงฟตีนาบมาตอิดุนานี่คือตอนจบเลย ฟะตินาบีมาติดูนาถ้าพูดแบบนี้พูดเยอะแล้วไม่ลงกันแบบนี้นะเอางี้ละกันก็ให้นํามาสิ่งที่ท่านสัญญาไว้นะํามาละกันอินกุลเตาเมนัสซอดีกินถ้าคุณพูดจริงนําสิ่งที่คุณสัญญาไว้ที่บอกว่าถ้าไม่ศรัทธาและพระเจ้าจะลงโทษเนี่ยเอามาสินี่ท้ากันแบบนี้เลยพี่นอ้องเวลาที่เราอ่านประวัติในบีนัวตอนเด็กๆผมก็อ่าน เรื่องราวนบีนัวทําการเผยแพร่ร้อยหปีคนศรัทธานิดนึงแล้วก็สร้างเรือมีคนว่าแล้วก็น้ําท่วมโลกเรื่องมันประมาณนี้แต่ว่าเวลามาดูในตัปซีตแล้วเนี่ยก่อนที่น้ําจะท่วมโลกพี่น้องมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะเต็ไมไปหมดเนี่ยบทสนทนาเหล่านี้สแสดงให้เห็นความพยายามของนบีนัวมีดูอาบทหนึ่งของนบีนัวอยู่ในโซลนัวอายะที่ยี่สิไม่ได้อยู่ในนี้นะครับดูอาบทนี้นบีนัวบอกว่าอย่างไรครับว่าก้อละนัวหุ่น นบีนัวขอต่อรอดแบบนี้ร บ, บี้โอ้พระเจ้าของฉันลาตาดาัลลัลอารดีมินันกาฟีนาดา ย, ยารอความหมายนะอย่าทิ้งบรรดาผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธาให้หลงเหลือบนหน้าแผ่นดินตอนที่อ่านคํำแปลดูอานี้เนี่ยอุ้ยทาไมนบีนัวขอโบฉังคนไม่ศรัทธาเนี่ยขอต่อรอดเลยเราอะอย่าให้เหลือบนหน้าแผ่นดินทําไมใจร้ายจังดูอาบนี้ทําไมดุจังทําไมนาบีนัวขอแบบนี้ แต่ว่าเวลาเรามาอ่านประวัติในบีนัวเราจะทราบว่าทุกอย่างเนี่ยมันจุดเลยจุดที่จะเผยแพร่ได้แล้วมันหมดแล้วเนี่ยพี่น้องเนี่ยคุยกันมาเนี่ยหลายประเด็นละเกินวันนี้แค่สามอาญาณ่ะเห็นภาพแค่นี้แล้วพวกนั้นเองก็จะไม่ทนด้วยผู้ที่ไม่ศรัทธาก็ไม่ทนด้วยนัวกับฉันนัวกับเราเนี่ยคุยกันมาเยอะแล้วมันไม่ลงกันเอางี้ดีกว่าจบเลยง่ายๆฟะตินาบีมาติดูนา ไหนแหละที่ว่าพระเจ้าจะลงโทษเนี่ยเอามาที่ว่าจะลงโทษเน่ยเอามาอินกุนตอรมนัสซอดีกินถ้าท่านพูดความจริงมันมีการท้าทายกันด้วยมีความพยายามที่พยายามแล้วไม่บรรลุผลสำเร็จและก็มีการกดดันทางนู้นโจมตีทางนี้โจมตีมันเลยจุดที่จะลงตัวกันได้แล้วพี่น้องเอาลอดถึงให้น้าท่วมโลก เวลาอ่านประวัติแบบนี้แล้วไปน้องครับกลับไปดูดูดอ่านที่น บ, บีนัวขอไว้เนี่ยที่บอกรับบิลนลัดัดอัลลันอารอติมินันกาฟีน ด, ดาดยารเนี่ยอย่าให้เหลือเลยโอ้ล้อคนที่ปฏิเสธบนหน้าแผ่นดินนี้อย่าให้เหลือสมเป็เหตุสมผลนะอันนี้คืออายาตีสามสิบสองนะครับโอ้เวลาเหลือเยอะเหมือนกันนะอ้าวต่อไปอายาตีสามสิบสามครับแถมให้ไม่มีในเอกาสารแต่ว่าเนื้อหามันเกี่ยวข้องกัน นบีนบอกว่าก็ล่ะเขากล่าวว่าอ um ินนามายตกุมบีฮินลสิ่งที่ท่านท้าทายเมื่อกี้เนี่ยที่บอกฟะตินาบิมาตัดุนาให้นำมาซิการลงโทษที่สัญญาที่ขูว่ไว้เนี่ยถ้าแน่จริงก็เอามานบีนุบอกแบบนี้ครับนี่ขณะพวกนั้นท้านาก็ล um ่ะอินนามายะติกุมบิฮินละอัลลอฮจะนำมาให้พวกท่านอินชาอั ถ้าพระองค์ทรงประสงค์ยังถ่อมตนถ้าอัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์จะนํามาน บ, บินนัวอดทนในการเผยแพร่พี่น้องแล้วมาถึงจุดหนึ่งพวกนั่นก็ไม่ไหวแล้วนัวมัต้องคุยกันแล้วแน่จริงก็เอามาท้าแบบนี้ถ้าท้าผมนะได้อย่าพรุ่งนี้เจอกันแต่นา บ, บินนัวไม่ได้บอกแบบนั้นน บ, บินนัวบอกว่าสิ่งที่พวกท่นทานท้าเนี่ยอัลลอฮ์จะนํามาอินชาอัาถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ ไม่ได้เกี่ยวกับ น, นบีนุ่นเลยถ้าอัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์ก็นำ ม, มาแม้ว่าจะมีการท้าทายพวกนี้ท้าทาย น, านบีนุ่นแต่นบีนุ่นไม่ได้รับคําท้าโดยกับตัวเองบอกว่าสิ่งการลงโทษที่จะมาเนี่ยมันจะมาตอนไหนมาถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ฉันเนีไม่เกี่ยวมาท้าฉันเนี่ยไม่มีประโยชน์ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์มันก็จะมาพี่ต้องเห็นแม่มีการยั่วยุมีการท้าทายแต่นบีนุ่นไม่ขึ้นถ้าอัลลอฮ์ประสงค์มันก็จะมา ว่ามาอันตุ้มบิมวัวยีจีนถ้ามันมาแลว้พวพคตท่านจะไม่มีความสามารถคือจะไม่รอดพ้นจากมันฉันก็พูดได้แค่นี้แหละมันจะมาไม่มาไม่รู้แต่ถ้าอันล่อประสงค์อยู่ที่ประสงค์ของอล่อมันก็จะมาถ้ามาแล้วพคตท่านก็จะไม่รอดพ้นสุภาพไหมพี่น้องสุภาพมากนี่คือนบีนัวอะัยฮิสลาห์นะครับอ้าวอันนี้เนื้อหาของอายะจบแล้วห้าอายะผมจะทวนประเด็นนะครับเวลายังเหลืออยู่ ถ้าเราแบ่งห้าอายะนี้นะพี่น้องนะครับแบ่งเป็นสองส่วนหนึ่งในอายะที่29สิบเก้าถึงอายะที่สามสิบเอ็ดเป็นคำพูดของนบีนัวนบีนั ว, นนวกล่าวกับกลุ่มชนตัวเองอย่างไงบ้างแน่นอนมันจะมีแค่นี้นะครับยังมีส่วนของอายะอื่นอีเยอะแยะไปหมดวันนี้เราเห็นแค่บางส่วนเท่านั้น เราเห็นลักษณะหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในสมัยนบีนัวกี่พันปีสมัยทราบครับประมาณการกันห้าพันหกันก็แล้วแต่วรวาะาลำแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับนบีมูฮัมหมัดเหมือนกันมันมีแพทเทิร์นคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยมีแพทเทิร์นเหมือนกันนําเสนอทรัพย์สินนําเสนอผลประโยชน์คนที่ไม่ศรัทธาไม่เข้าใจเลยว่าบรรดานาับีที่ทําหน้าที่ในการเผยแร่เขาไม่ต้องการทรัพย์สิน ทำไมล่ะเพราะว่าเขาเชื่อไงว่ามีวันเกียรมาเชื่อว่ามีอัลลอฮ์เชื่อมีการสอบสวนแล้วก็เชื่อว่ามีการตอบแทนที่ทำมาทั้งหมดหวังการตอบแทนในวันเกียรมาแต่คนเหล่านี้ไม่เชื่อในวันเกียรมาฉะนั้นรางวัลผลประโยชน์ที่จะนําให้ได้เนี่ยก็คือผลประโยชน์ในดุ n y าง่ายที่สุดก็คือทรัพย์สินมันคี้คนระแบกหมดเลย นบีเชื่อนนาันดารนาบีเชื่อในวันเกียรมาทรัพย์สินก็เลยเฉยๆเพราะทราบว่าศรัทธาว่าในวันเกียรมาสิ่งที่ได้มันจะเยอะกว่าอินอะจิรียอิลลัลลอฮฉะนั้นทรัพย์สินที่มาปาเกนให้ไม่เอาเพราะทําไมเชื่อในวันกียรมาแต่คนที่ไม่เชื่อในวันเกียรมะโลกนี้ตายแล้วคือจบทรัพย์สินก็เลยต้องเอามาให้ตอนนี้นี่คือประโยชน์ที่จับต้องได้ตายไปแล้วจะได้ไหมไม่น่าจะได้เพราะไม่เชื่อว่ามีวันเกียรมา พี่น้องเข้าใจไหมคนที่ศรัทธากับคนไม่ศรัทธาระบบความคิดต่างกันพี่น้องต่างกันเยอะหนึ่งคนที่ศรัทธาเวลาเชื่อมนี่คือข้อต่างกันนะคนที่ศรัทธาว่ามีวันเกียรมากกับคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยต่างกันเยอะยังไม่นับองค์กรอีมานที่หข้อที่เหลือหนึ่งเวลาเชื่อมมีวันกียร์มากเนี่ยทุกการงานที่การทำไปพี่น้องทําแล้วมันไม่จบคิดต่างกันเลย ทำแล้วไม่จบแก่งคนกพรความสะใจแกงไปแล้วมันจับไม่ได้ก็จบแต่แกงไปแล้วคนจับไม่ได้แต่วังกียามากมีอ้าวเป็นแบบนี้เวลาที่โกงจะทุจริตเนี่ยพี่น้องเวลาคนเชื่อในวังกียามาโกงได้แล้วแต่ใครจับไม่ได้จบคนที่เชื่อในวังกียามาเนี่ยไม่จบแต่คนไม่เชื่อคือจบเพราะเวลามันมีแค่ลกนี้ห้าสหปีหกปีแล้วก็เวลาเขแบ่งเนี่ยพี่น้อง60ปีเนี่ยคนอายุ60ปีเนี่ย ห้าสิบปีกว่านี่แก่แล้วแก่คือว่าสมรรถภาพทางเพศก็ลดลงร่างกายก็ใหม่แข็งแรงฉะนั้นการเสพสุขเนี่ยห้าสิบหกสิบปีตัดทิ้งไปต้องเสพสุขในช่วงที่มันกลางๆไอ้ยี่สิบปีก็ยังไม่ถอยเท่าไรใช่มสามสิบสี่สิบอะไรประมาณเนี่ยช่วงนี้ ต, ต้องต้องเก็บเกี่ยวให้มากที่สุดเพราะเป็นช่วงหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผ่านเข้ามาแล้วไม่ผ่านเข้ามาอีกแก่แล้วไม่ไม่สนุกแบบนี้ต้องทําช่วงนั้นเพราะว่าชีวิตมันมีอยู่แค่นั้น ทำไมถึงคิดแบบนี้ล่ะเพราะว่าไม่เชื่อในวันเกียรมั้ความศรัทธาต่างกันมุมมองที่มีต่อโลกก็ต่างกันคนที่ศรัทธาในวันเกียรมัจะตั้งคําถามพี่น้องตรวจสอบตัวเองทําไปแล้วมันยังไงเนี่ยวันนี้ทําอย่างงี้ไปแล้วนะมันยังไงเอ้มันจะดีไม่ดีแล้วก็ถ้าทำไปแล้วเนี่ยแล้ววันเกียร์มัตเอาเรือมาถามจะตอบอยังไงเนี่ยวันที่นินทาคนเด็พี่น้องสร้างฟิตานาเนี่ยไม่มีใครทราบเลย ผมสมัครเฟซบุ๊กปลอมเนี่ยใช้ชื่อปลอมแล้วก็โพสต์ข่าวฟิตรนาคนยากดแชร์แชร์แช์กันไปเนี่ยไม่มีใครทราบแชรลูกคนอื่นด้วยพ่าทาไปแล้วมานั่งคิดเออคนไม่ทราบแต่วันเกียร์มาอลอทถามจะตอบยังไงอ้าวพอถ้าเราศรัทธาในวันเกียร์มามันมีการตรวจสอบตัวเองทําไปแล้วเนี่ยแต่มานั่งคิดเราวันเกียร์มาอลอทถามจะตอบยังไงเนี่ยตอบไม่ได้มันต่างกันอาจจะยับยั้งชั่งใจขึ้นบ้างอาจจะโกนในความผิดมี แต่ถ้าผมไม่เชื่อในวั ก, กยรยามันนะพี่น้องชีวิตนี้นะพี่น้องครับสนุกเลยเพลยอะไรก็ได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมต้องเก็บเกี่ยวความสุขเดี๋ยวแก่แล้วมันทําแบบนี้ไม่ได้เต็มที่กับชีวิตเพราะว่าโลกนี้ชีวิตมันมีแค่นี้ต่างกันคนเชื่อคนไม่เชื่อนะสัท้อนออกมาในบทสนทนาระหว่างนาบีนุ่ยกับผู้ที่ไม่ศรัทธาทําไมพวกนั้นถึงนําเสนอทรัพย์สินไม่ได้โง่นะแต่ว่าเป็นผลประโยชน์ที่จับต้องได้จริงๆ แต่น บ, บีนุ่งทำไมไม่เห็นค่าเพราะว่าคิดต่างการศรัทธาต่างกันเมื่อมีสิ่งที่มีค่าอยู่หลังความตายก็เลยไม่เอาทรัพย์สินความคิดต่างกันผลมาจากศรัทธาที่อยู่ในหัวใจนะครับนอกจากนี้เนี่ยคนเหล่านี้ยังมองว่าน บ, บีนุ่งในฐานะที่เผยแพรค่ความเชื่อแบบนี้น บ, บีนุ่งจะมีอํานาจอํานาจเช่นมีพลังมีอิทธิพลในการที่จะ เอาคนศรัท ธ, ธาไว้ก็ได้หรือว่าให้เลิกศรัท ธ, ธาไล่ไปก็ได้เพราะนาบีนัวเป็นคนเผยแพร่ศาสนาก็เป็นของนบีนัวนบีนัวจะทํำยังไงก็ได้ให้ศรัท ธ, ธาหรือว่าจะล้มเลิกแล้วจะบอกว่าทําแบบนี้มาแดบุญนบีนัวก็พูดได้เพราะนาบีนัวเป็นคนเผยแพร่ทำไมถึงมองต่างกันเพราะคนเหล่านี้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเมื่อกี้ไม่เชื่อในวันเกียรมาผลต่างกันพี่น้องเห็นปะ พอไม่เชื่อในวากีม马ทุกยานที่จับต้องได้จึงเป็นมนประโยชน์แต่ได้เชื่อในวากี亚马 ม, มันจะมีผลบุญหลังความตายต่อมาการศรัทธาในพระเจ้าส่งผลต่อความคิดเหมือนกันคนที่ไม่เชื่อว่ามีอัลลอฮ์ก็จะมองว่านบีนุ่วเป็นคนเผยแพร่นบีนุ่วจะทําอะไรก็ได้ขอเสนอนี้เลยถูกส่งมาที่นบีนุว่วไล่ไปได้ไหมผู้ที่ศรัทธาไล่ไปได้ไหม ถ้าไล่มันไม่ได้มีวิธีไล่ตรงตรงไม่ได้จะต้อมีวิธีก็ไปบอกมั่งสิว่าทําแบบนี้เนี่ยทําไมเอ่ยลันยุติโยห์หุมุลรอหุใครรอทําแบบนี้ทําไปก็ไม่ได้บุญทําลายกําลังใจมันเดี๋ยวมันก็ไปเองทำไมถึงกล้าเสนอแบบนี้เพราะไม่เชื่อว่ามีอลัลลอฮ์ไงมันต่างกันแต่ในบีนัวทำแบบนี้ไม่ได้ทําไมล่ะเพราะเชื่อว่ามีอลัลลอฮ์เห็นไ้มฮะพี่น้องเพราะเชื่อว่ามีอลัลลอฮ์ปุ๊บ เหตุผลมันจะเป็นอีแบบเป็นอีกชุดหนึ่งอินนาหุมูลากูรบบีหิมฉันทําแบบนั้นไม่ได้เพราะคนเหล่านี้อย่าจะไปเจอพระเจ้ากับพวกเขาเราฉันจะตอบว่าไงแต่ถ้าบอกว่านะไม่ศรัทธาในอัลลอฮ์ก็ทํำยังไงก็ได้เพราะคนเหล่านี้ไม่ไปเจอพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่มีศรัทธาต่อวันกี亚马ศรัทธาไม่ศรัทธามุมมองความคิดที่มีต่อโลกต่างกันศรัทธาต่อพระเจ้าไม่ศรัทธาต่อพระเจ้ามุมมองที่มีต่อโลกก็ต่างกัน ของเหล่านี้ทำไมเอ่ยสะท้อนออกมาในบทสนทนาระหว่างนาบีนุ่กับคนที่ไม่ศรัทธานาบีนุ่จึงบอกว่าเวลากินนีอารากุมเกาวมนตัจยาฮลูนฉันเห็นว่าพวกท่านนั้นทำไมเอ่ยเป็นกลุ่มชนซึ่ง น, นี่ก็แปลว่างมงายแปลว่าโง่เขาก็ได้หรือว่าแปลว่าไม่ใช่ปัญญาก็ได้ที่สอนมาทั้งหมดนั้นไม่ได้เข้าใจอะไรเลยฉันจะเอาอะไรก็ยังไม่เข้าใจเลย แล้วเขเสนอแบบนี้เสนอกับฉันมาได้ยังไงเนี่ยที่บอกว่าให้ไล่กู้ศรัทธาเนี่ยเขาศรัทธาต่อพระเจ้าของพวกเขาฉันจะไล่เขาได้ยังไงพวกคุณไม่เข้าใจอะไรเลยไม่เข้าใจทําไมโง่ไหมไม่ได้เชื่ว่าโง่สติปัญญาทึบนะแต่เพราะว่ามโนทัศน์ที่อยู่ในหัวความเข้าใจที่มีต่อโลกต่างกันเขาศรัทธาเราศรัทธาเขาไม่ศรัทธามองโลกต่างกันบางทีคุยกันก็ไม่รู้เรื่องนอกจากนี้ครับในอายะที่สาสิต่อมาเนี่ยนบีนุยังบอกว่าวายาเกามี โอ้กลุ่มชนของฉันมายังซุรินีมิโนลล์อินตรัตตุหุมอฟลาตัดกัรูนใครจะช่วยฉันจะอรดถ้าฉันไล่พวกเขาให้พวกท่านได้คิดได้ใช้ปัญญาหน่อยก็เนื้อหาเหมือนกับอายามากี้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเย้น เ, เน้นแล้วก็นําเสนอก็คือว่าคำว่าวายาเกามีวายาเกามีความ อ, อ่อนน้อมของนบี้นัวถ้าเจอเผยแพทย์ยาแบ่งเขาแบ่งเรา ถ้าแบ่งปุ๊บเผยแผ่ไม่ได้เขาเรียกความเป็นอื่นทฤษฎีก็เรื่อความเป็นอื่นผมไม่คนรักชาติพี่น้องไม่รักชาติก็เป็นคนคนละประเภทกันนะ่ะคุยกันไม่ได้เวลามีปัญหาการเมืองเนี่ยเราก็จะแบ่งไงว่าจะเป็นแบบฉันที่คือรักชาติแกไม่รักชาติมันก็เป็นฝ่ายตรงข้ามคณนนีคนบอกเป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วเนี่ยการพูดคุยไม่ประสบความสําเร็จบรรดาอบีเวลาเผยแพร่ไม่เคยแบ่งเป็นอื่น ยาเกาหลีโอ้กลุ่มชนของฉันทําไมไม่แบ่งเขาเป็นอื่นนะมันไม่ศรัทธาทําไมไม่แบ่งมันไปนล่ะเพราะหวังว่าจะเปลี่ยนเขาให้ศรัทธาได้ฉะนั้นไม่เคยตั้งแง่ว่าเป็นคนอื่นเป็นคนอีกประเภทเป็นคนอีกจําพวกเป็นคนที่หลงทางเป็นกลุ่มชนเดียวกับฉันไม่แบ่งเขาแบ่งเขาเพราะหวังว่าจะเผยแพร่ได้นะครับนี่คือได้จากนาบีนัวนบีคนอื่นก็พูดแบบนี้เหมือนกันแหละในอายะห์ที่สาอครับ นบีโนะปฏิเสธปฏิเสธสามอย่างวันในบีโนะไม่เคยพูดหนึ่งไม่เคยแอบอ้างหนึ่งไม่เคยแอบอ้างว่ามีขอใจอินุลล้อํานาจพิเศษจากอัลลอฮ์ขอจีนา่าขอใจอินตวะวครังคลังของพระเจ้าท่านอบีุลเบนะมีเนี่ยจะหยิบอะไรออกจากคลังก็ได้เช่นอายุไขอีกสิบปีทรัพย์สินไม่มีลูกใช่ไหมเชื่อผมอย่าผมเอาลูกมาให้เพราะว่ามีคลังของอัลลอฮ์อยู่ ก็คือมีอำนาจจะบันดาลอะไรก็ได้นบีโนบอกว่าฉันไม่เคยพูดสองอะละบุนร้อยทราบในสิ่งที่เล่นลับฉันไม่เคยพูดนะฉันไม่เคยพูดจริงๆแล้วถ้าเราดูในประวัตินบีมุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดก็ไม่เคยอ้างทราบในสิ่งที่เล่นลับพวกอะลุนกีตาบเคยมาลองเชิญท้านนบีถามเกี่ยวกับชาวถ้ำมุฮัมมัดถ้าเป็นนบีจริงเนี่ยในเล่าให้ฟังหน่อยชาวถ้ำเป็นยังไง ชาวทำเป็นเรื่องร้ายที่อยู่ในคัำพีของพวกเขาพวกเขาทราบและมาคิดอับดุลโมมัตจะทราบนี่โมมัตก็ไม่ได้ทราบนะรอวะฮีมาแล้วเอาวะฮีมาต่อก็คือซุลักกาฟิชาวทำไม่ได้ทราบในตัวเองนะไม่เลยรูร้ในสิ่งที่เล่นลับแต่ว่าเอาลอดลงวะฮีมาเอาวะฮีไปต่อกนบีนุ่ก็เหมือนกันเมื่อเคยอ้างสรรพคุณตรงนี้เลยทราบในสิ่งที่เล่นับทราบในสรรพสิ่งทุกอย่างเนี่ยนบีนุ่ไม่เคยพูดแล้วฉันก็ไม่เคยพูดนะไม่เคยอ้างเลยนะ ว่าอินนีมาลักฉันเป็นเทวดาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเป็นมนุษย์พิเศษเป็นเทพเป็นอะไรแบบนี้ฉันไม่เคยอ้างถ้าจะมองว่าฉันเป็นแบบนั้นฉันไม่เคยพูดในบีนัวยืนยันลักษณะสาระการนี้พี่น้องไปดูแล้วกันคนที่แอบอ้างความเชื่อเป็นเจ้าลักที่เป็นศาสดามักจะอ้างบางทีก็อ้างสามข้อบางทีก็อ้างข้อหนึ่งมีอยู่ในนี้เลยพี่น้องแต่ในบีนัวที่เป็นในบีจ๋าล้อไม่เคยอ้างแบบนี้ในบีนัว ยังให้แง่คิดนะครับพูดต่อคนเหล่านั้นว่าวาลาอากูลิลลาดีตัสดารีอะยุนุคุมลายุติอะฮุมุลลอฮุคอยรอคนที่พอทั้งดูถูกเนี่ยมองด้วยสายตาเหยียดหยามเนี่ยนะครับเหยียดหยามเนี่ยให้ไปพูดว่าจะไม่ได้ผลบุญจากอลัลลอฮ์เนี่ยฉันก็จะไม่พูดจะลันเนี่ยคือจะไม่มีวันพูดแบบนั้นเพราะทาไมล่ะอลัลลอฮ์ทราบดีว่าอลัาอลลอฮุอะละมูบีมาฟีสุอันฟุสิหิมอัลลอฮ์ทราบดีในสิ่งที่ อยู่ในหัวอกของพวกเขาฉันนะไม่ทราบถ้าฉันไปพูดอย่างนั้นแล้วทําไมเอ่ยอินนีอีดันและมินาซอนลีมินฉันจะเป็นคนที่เป็นคนที่อธรรมการตัดสินคู่คนโดยไม่ทราบภา ก, กีก็สิ่งที่อยู่ในใจของพวกเขาถือเป็นการอาธรรมเราถามว่าที่นั่งๆกันอยู่พี่น้องใครทราบบ้างผมคิดอะไรในใจไม่มีใครทราบพี่น้องคิดในใจผมก็ไม่ทราบแล้วจะเอาอะไรไปตัดสินล่ะตัดสินทำามตัดสินได้แต่ว่าเป็นการอาธรรม ไม่ให้ความยุติธรรมกับเขาเราใครตัดสินได้ล่ะในวันเกียม์มาอัลลอฮฺตัดสินถ้าเดนุย ญ, ญาตก็เป็นศารไม่ตัดสินสิ่งที่อยู่ในใจนะตัดสินตามหลักฐานพยานเอาสิ่งที่เห็นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอัลลอฮฺอักมุลฮะกีมีนคนที่ตัดสินดีที่สุดก็คืออัลลอฮฺในวันกียร์มาน บ, บีนุ่วไม่ทําแบบนี้ตัดสินผู้คนโดยไม่ทราบสิ่งที่อยู่ในใจน บ, บีนุ่วไม่ทำเพราะถือว่าเป็นการอาธรรมต่อมาในอายะที่32มสินะครับ เราจะเห็นได้ว่านาบีนุ่งกับฝ่ายตรงข้ามคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยนะครับแม้จะเป็นกลุ่มชนเดียวกันนี่นะแต่ความคิดไม่ศรัทธาเนี่ยทําไมเอ่ยมีการโต้เถียงกันอย่างยาวนานก็ยาดันตนาท่านเถียงกับเรานุ่งท่านเถียงกับเรานะฝักซัตตาจิดาละนาแล้วก็เถียงเยอะมากคุยกันยาวเยอะมากเนี่ยไม่จบจบแบบนี้ดีกว่าฟะตินาบิมาตัดูนาอินกุลตามินอซอดีกีน ถ้าพูดจริงที่พูดทั้งหมดนะจริงพระเจ้ามีจริงกิยามัตมีจริงการลงโทษมีจริงก็ฟะตีนาบิมาตาอิดุนาก็นํามาละกันไอสิ่งที่สัญญาไว้นะครับในบีนู่นเวลาได้รับคำคำท้าทายแบบนี้เด็พี่น้องสุขุมไม่ได้โกรธไม่ได้ขึ้นบอกว่ากอลอินนามายาติคุ้มบิหิดละสิ่งที่พระท่านท้าทายเนี่ยให้เอามาเนี่ยอัลลอฮ์จะนํามาอินชาอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ ไม่ได้เป็นนายหน้านะบอกว่าท้าท้าใช่ไหมได้อย่าเจออย่าฉันไปบอกอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นนายหน้าแบบนี้นะเพราะนาบีนุ่มไม่สามารถไปก้าวกายมาชียร์อลลอฮ์เพราะประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้านาบีนีนทําไม่ได้นะแต่พูดเดีย ว, ว่าถ้าอัลลอฮ์ประสงค์การลงโทษก็จะมานี่คือนบีนุ อ, อัลเลสลามเอ่อแม้จะถูกท้าทายแต่การตอบโต้ก็ยังนุ่มนวล น, นะครับสุ ข, ขุมถ้าอัลลอฮ์ประสงค์การลงโทษก็จะมาถ้าไม่มาก็คืออัลลอฮ์ไม่ประสงค์ ฉันไม่ได้รับประกันรับคําท้าท้าพ น, นันฉันทําไม่ได้แต่ว่าทำมาแล้วว่มาอันตุมบิมุ ย, ยูจีนพวกท่านก็จะหนีไม่พ้นเป็นคําเตือนจะมาหรือเปล่าฉันไม่ทราบแต่ทามาพวกท่านจะหนีไม่พ้นแล้วก็ไม่พ้นจริงเวลาน้ําท่วมโลกโดยสรุปวันนี้นะครับเห็นแง่มุมการเผยแพร่ของท่านอบีุลเบนัวอะลาฮิสลามเป็นนบีที่ถ่อมตนพี่น้องครับอดทนทําการเผยแพร่และก็ทําแบบนี้นะพี่น้องต้องคิดด้วยว่าทําแบบนี้ 9 5้าห้าสิบปีนี่คือสิ่งที่ฝากกับพี่น้องในวันนี้ครับว่า บ, บิน ล, ลาฮิตาฟิวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มุตุลลอฮิวะบรากาตุ